ก็เห็นกุติหลวงตาหลังเนี้ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วตั้งแต่หลวงตาตั้งวัดนี้ท่านอยู่กุติมาสองหลังหลังแรกเป็นกุติเล็กๆเฉพาะองค์ท่านอยู่หลายปีซ่อมแซมสามครั้งจนกระทั่งหมดสภาพคณะสิทธิ์จึงสร้างกุติถวายหลวงตาให้ดูเหมาะสมหลวงตาใช้กุติหลังที่สองนี้เป็นเวลาหลาย10ปีจนถึงเดือนเมษายน2551ัริงจึงซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่เริ่มตั้งแต่วันที่11เเมษายน